วิปัสสนามีสมรรถน้ำหน้าคัมภีปฏิสัมพิธามัตอธิบายความหมายว่าเบื้องแรกจิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวไม่สซ่านสายมีสมาธิเกิดขึ้นด้วยอำนาจเนฆมมะมัตก็ดีคือด้วยความคิดสลัดออกไม่โลภไม่โปูพันในกามมีสมาธิเกิดขึ้นด้วยอำนาจอภยาบาศคิดเมตตาด้วยอารมกสัญญาทำใจนึกถึงแสงสว่างไม่ให้ง่วงเหงา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 เป็นอนัตตาอย่างนี้เรียกว่าสมถะมาก่อนวิปัสสนามาหลังคือเป็นสมถะปุกพังคะวิปัสนาอัตตะาอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นอีกว่าตามวิธีปฏิบัติอย่างที่หนึ่งนี้ผู้ปฏิบัติทำสมถะคือสมาธิให้เกิดขึ้นก่อนจะเป็นอุปจารสมาธิหรืออปนาสมาธิก็ได้จากนั้นจึงพิจารณาสมถะหรือสมาธินั้น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 คำพีปฏิสัมพิทามักใช้เป็นหลักสำหรับแสดงการเกิดขึ้นแห่งสมาธิระดับอุปจาระแก่พระสุขวิปัสสกะและช่วงที่กล่าวว่ามีสมาธิเกิดขึ้นด้วยอำนาจปฐมฌาน ท, ท, าานตทาานุติยฌานตติยฌานจตุทะฌานด้วยอำนาจอากาสารนัญจายตนะสมาบัติวิญญาณัญจายตนะสมาบัติอากินจัญญาณัยตนะสมาบัติเนวสัญญาณาสัญญาณยตนะสมาบัติก็ดีด้วยอำนาจกสินสิบก็ดี